วิชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานละลงศักดิขีนานาโยตอนธรรมะของผู้ครองเรือนตอนที่หนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำห้ับน้องๆนะแล้วก็เห็นว่ามีมีมีคนน้อย ถ้าถ้าถ้ามีเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยกล้าพูดแต่นี่คนน้อยพอดีว่าวันนั้นครั้งแรกเลยที่เจอหลวงตาครั้งแรกเลยอ่ะแล้วได้มีโอกาสเข้าไปอ่าสอบถามลงเรียนถามหลวงตานะคะเรื่องการปฏิบัติท่านนี้หลวงตาก็ถามว่าหลวงตาก็ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกชื่อไปบอกนามสกุลไป รต่ณตอนหลวงตาก็ถามว่าปฏิบัติแบบไหนมาปฏิบัตบบิตอะไรมาอยู่ก็เลยบอกหลวงตาว่าคือณตอนนี้พี่ก็ยังฝั่นอยู่นะแต่อยากบอกอยากอยากอยากอะไรแลกเปลี่ยนนะฮะมันเป็นประสบการณ์นะฮะที่เกี่ยวกับหลวงตาที่แหละคือก็บอกหลวงตาไปว่าก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติโดยการดูอริยบทสี่นะฮะนั่งนอนยืนเดิน ที่นั่นเขาจะสอนให้ดูเพื่อให้เห็นทุกในสมัยนั้นก็คิดว่าทุกนั่นก็คือทุกขเวทนาค่ะคิดว่าอย่างนั้นก็ดูไปดูไปแล้วก็เหมือนกับอืมแล้วดูเพื่ออะไรไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยดูไปหลายวันหกวันเจ็ดวันก็มันก็เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกกับวันสุดท้ายความรู้ก็ไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเกิดแต่ว่านั่งไปนั่งไปมันก็ทุกมันก็เกิดแล้วแก้ทุกในที่สุดก็จะเห็นทุกทั้งวัน แล้วเราจะเดินทางต่อไปยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ก็ศรัทธาศรัทธามากเพราะเราคิดว่ามันเป็นหนทางที่ถูกต้องสมัยนะั้นะนะฮะมันก็คงมันก็ถูกต้องจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับเหมือนกับรอรอมาจนถึงเราเป็นปัจจุบันตอนนี้ความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ผ่านนํามาในชีวิตนี้ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้ก็บอกลงตามบอกว่าต่อมาก็มาดูจิตกระดูจิตต้องดีเราได้เห็นจิตวิม ณที่มันผ่านแต่เมื่อกี้นี้เป็นกุศลอกุศลเราเห็นมันใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นมันว่าเออมันตั้งอยู่แล้วมันก็กลับไปตั้งอยู่แล้วก็กลับไปแล้วเราจะเดินทางต่อไปยังไงก็ไม่รู้อีกใช่ไหมฮะท่นนี้ก็เสร็จแล้วก็บอกหลวงตาว่าเนี่ยดูมาอย่างเนี้ยแล้วตอนนี้ก็มาทําดูลมหายใจดูอนาภิรักิแต่ก็ดีอีกใช่ไหมฮะก็ดีอีกขณะนี้กําลังหัดดูฝึกดูอยู่ท่นนี้หลวงตาก็บอกว่าหลวงตาบอกว่า อ่าตอนแรกหลวงตาคิดว่ามองดูแล้วน่าจะเป็นอนาคตอนสติน่าจะใช่แต่ดูจะไปดูมาเนี่ยโยมน่าจะเป็นการไปอ่าเหมือนกับไปดูความเสื่อมไปดูความเสื่อมของกายอ่าดูความเสื่อมของกายแล้วหลวงตาก็บอกยึดอะไรเนี่ยยึดอะไรอยู่วางซะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คําพูดของตาหลายๆอย่างแล้วก็โอ้มันใช่เลยมันใช่เลยเรายึดลูกใช่ไหมฮะยึดลูกที่มีอยู่ยึดลูกสงสารลูกอะไรแบบเนี้ย น ะ, ะแล้วก็หลังจากนั้นมาหลวงตาบอกว่าให้ไปดูความเสื่อมก็ยังงงอยู่ดูแบบไหนอะ่ะงงมากก็นั่งฟังหลวงตาคือวันแรกยังงงงงจับสนอยู่นะก็หลังจากนั้นมาก็แบบว่าคือหลวงตาก็พูดพูดรูพูดหลายประโยชนที่เราจะลองไปฝึกดูเป็นดูความเสื่อมแบบไหนนะ่าไม่เข้าใจหลังจากนั้นมาก็ก็มามาหลวงตาอีกอีกครั้งก็ทําไม่ได้นะฮะ ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอละครั้งล่าสุดมาเนี่ยครั้งล่าสุดมาเนี่ยได้ได้มาฟังธรรมะหลวงตาเมื่อประมาณสักสองสวันที่ผ่านมาสามสี่วันที่ผ่านมาะที่โคสมลงกะที่บ้านที่บ้านนะ่ะพอดีว่าอ่าคือสึก ด, ดูอนาปนานสติอยู่ทีนี้มันไปมันไปไม่ถูก มันเป็นตันอยู่ที่หนึ่งนะฮะตันอยู่อารมณ์บางส่วนตันอยู่ที่หนึ่งว่าเราจะไปไงต่อไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นที่นี้วันนั้นไปนั่งฟังหลวงตาโอ้โหมันทะลุทะลุมากเลยมันเหมือนกับว่าหลวงตาพูดกับเราโดยตรงโอ้น้ําตาจะไหลโอ้มันปิติมากเรารู้แล้วเราจะไปทางไหนรู้แล้วใช่ไหมคะปิติมากเสร็จแล้วก็เก็บความปิติไว้ในใจโอ้โหหลวงตาเรารู้แล้ว ที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดห ล, หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยณนะวันนี้เรากระจ่างแล้วสิ่งที่ปันอยู่นะกระจ่างนะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาที่พอดีสถานที่ที่ว่าจะสร้างเจดีเนี่ยมันก็แบบว่าดวงตาพูดคำดึงบอกว่าเราไม่ต้องรีบร้อนใช่ไหมคะเราไม่ต้องรีบร้อนก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปมีเงินเมื่อไหร่เราก็ทำต่อ ไม่มีเราก็หยุดมีเมื่อไหร่ก็ทําต่อใช่ไหมฮะแต่ว่าหลวงตามบอกว่าให้จะน่าจะสร้างฐาน jd ไว้เพื่อให้เป็นแบบรูปล่างขึ้นมาแล้วญาติโยนจะได้มาเห็นเนะี่ยเราทําแบบนี้ใช่ไหมเข้าใจได้มาเห็นแล้วก็จะศรัทธาเองแล้วเขก็จะมาร่วมกันใช่ไหมฮะในที่ก็เล็กิ้งขึ้นมาว่าเราจะเป็นฐานใจดีเราจะเป็นฐาน j จดีก็เลยตัดสินใจว่าพอลวงตาพูดว่าจะสร้างสถานที่ปฏิบัติทํา อาคารนี้สร้างสถานีปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่เรี่กเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มาพบนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาได้มาร่วมได้มาเป็นบริบาลของการทํากุศลในครั้งนี้กับพญาบุคคลนี้ซึ่งเราไม่ใช่จะหาได้ง่ายในชีวิตของเราในสังสารวัตรที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะที่ก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวนั้นว่าจะทําบุญสร้างที่นี่นะคะที่ก็ตาธุเราที่ก็เลยไปบอกกับท่านท่าน อ่าใช่ฮะท่านอาจารย์พระอาจารย์ดรตู่บอกว่าโยมได้ยินคุาพูดอย่างนี้โยมก็จะเป็นแบบว่ามันเป็นหนทางที่จะทำให้สิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะโยมจะไปจากไปสองแสน 200, แล้วท่านจะเอาไปทำอะไรก็ไปทำตรงตรงฐานเจดีแห่งนี้นะฮะพอาตจากนั้นกลับมาบ้านกลับมาบ้านมันมัน ม, นมนปลอดมันมีความสุขมาก มันอิม่มเอิบ ม, มากมันปิติมากนะคะมันอิม่มเอิบ ม, มากตั้งแต่ที่ได้สละที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะคะที่อิม่มเอิบ ม, มากพี่นั่งไม่ได้เลยเนี่ยนั่งทําบัญชีกับลูกพอรู้ว่าตัวเองจะได้สละทั้งหมด25ไลน์นั่งไม่ได้เดินรอบโต๊ะเลยคนะ่ะอุ้ยบอกน้องแอร์แม่ขนลุกหมดแล้วแม่สั่นหมดแล้วแม่นั่งไม่ได้แม่ดีใจมากไม่อิ่มเอิบ ม, มากมันแม่ดีใจมาก เดินรอบโต๊ะรอบตั้งหลายรอบค่ะแม่น้องแอนแม่ยังนั่งไม่ได้อีกนะเนี่ยแม่ยังนั่งไม่ได้่ามันดีใจมากดีใจมากแลน้ครั้งนี้ก็ดีใจมากอีกนะคะเสร็จแล้ววันนั้นเกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นคือหลังจากที่นอนไปแล้วตื่นเช้ามาพอรู้สึกตัวปักปัญหาที่คาใจอยู่ที่หลวงตาบอกว่าให้ไปดูความเสื่อมของกายมันผุดขึ้นมา ในมโนวิญญาณนะในในในจิตล pen, ึกผุดขึ้นมาโดยที่เรายังไม่มีสติถึงร้อยเปอร์เซ็นนะฮะมันผุดขึ้นมาพุบๆความความดับของกายกายที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆแล้วมันดับดับดับับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นทังสายทั้งตลอดตลอดแนวเลยเห็นกายที่เกิดดับเกิดแล้วตั้งอยู่เกิดแล้วเสื่อมดับเกิดแล้วเสื่อมดับเกิดแล้วเสื่อมดับ จนที่สามารถทํำการาฟสถิติได้ที่โอ้โหอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงที่เราสงสัยนึกถึงพาราสังเกตตอนแรกลืมไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่ปัญญาที่มันเห็นเกิดดับของกายเนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะโดยที่เรายังยังสติยังไม่ลืมเป็นที่เลยนะคะได้หลับตาพิจารณาตามนั้นตามที่เราเห็นตามที่เรารู้เดี๋ยวนั้นโอโเราจะไปเล่าให้ใครฟังได้เนี่ยเราจะเล่าให้ใครฟังได้เนี่ยโอ้โอะไรเกิดขึ้นเนี่ย สันดีใจมากปิติมากเลยเหมือนกับว่าโอ้เวดาต้องอยู่รอบเราแน่ๆเลยแสงสว่างอยู่รอบตัวเราแน่ๆเลยอ่าแต่อะไรต่างๆนี่นะคะมันมันเป็นกุศลที่มันเหมือนกับดึงของเก่าของเราพุทขึ้นมาสงสัยจะเป็นอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับสามารถที่จะทำสติติดทําแบบว่าทํากราฟขึ้นมาอาธิบายได้นะฮะที่เกิดดับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ เห็นจนหมดทะลุหมดแล้วเรื่องของกายวางได้แล้วแล้วไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ความที่สุกร่างกายตั้งอยู่ในกฎของกายลักษณ์อานิจจังทุกขังหน้าตาอเยวานิจจังทุกขังห น, น้าตาน เ, าเานีน่ยเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราเห็นความจริงแล้วว่าทุกขณะนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นอะไรเคยฟังเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาก็คือ เกิดขึ้นมาจะท้องพอท้องแม่แล้วมันก็ตั้งอยู่ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมแก่ลงไปแล้วมันก็ตายแต่ความจริงมันเกิดดับทุกขณะทุกขณะ ท, ทุกอนูของเวลาทุกอนูของเวลาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะว่ามันมันแก่นี่ที่คุณอาจารย์ท่านบอกว่าคุณคนนี้ยเมื่อสมัยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเราเห็นหน้าตาแบบนี้แต่พอผ่านมาสิบปีครั้งหนึ่งเรามาเจอเขาอีกทีเฮ้ยทำไมเขาแก่จังวะ วุ้ยปีนี่แกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงเขาไม่ได้แก่เขาไม่ได้เพิ่งจะมาแก่ปีนี้หรือเวลานี้ที่เราเห็นแต่เขาแก่ทุกขณะที่ที่เขาดําเนินชีวิตมานี่เราเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วมันแก่แบบนี้เกิดขึ้นเพราะในขณะที่เขาเกิดขึ้นตอนเด็กเด็กเกิดขึ้นเพอเขาโตเป็นหนุม่มเป็นสาวโตเป็นวัยรุ่นนั่นคือเขาเขาเสื่อมจากความเด็กมาเป็นความ ใกล้จะตายอ่ะเป็นกว่าเราเรียกภาษาโลกโลกว่าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ความจริงอ่ะมันใกล้ใกล้วันจะตายของเขาอ่ะแล้วที่เาเสื่อมจากจุดนั้นมาเป็นอีกจุดหนึ่งเสื่อมจากจุดนั้นมาเป็นจุดหนึ่งเสื่อมจากจุดนั้นมาเป็นจุดหนึ่งซึ่งจุดใหม่เนี่ยก็คือเกิดนะคะแล้วมันาป็สติตืบสืบต่อเราไม่สามารถมองเห็นเห็นเห็นในพระสักพันยู่ของพระเจ้าซึ่งอันนี้มันเห็นด้วยตัวของงพระเจ้าตัดสรุปแบบนี้ เออจริงจริงด้วจริงจงด้วยจิงงนอนนอดู้จริงจริงเราเห็นหมดเลยทำไมมันเป็นแบบนี้เจออ้าไกลเราเข้าใจละไม่เที่ยงแปลปลวนเสื่อมดับเห็นแล้วอะไรเงี้ยเสิ็จ่ะเห็นจิตอีกเห็นจิตอีกนะคะเห็นจิตอีกว่ามันเกิดดับยังไงอารมณ์ต่างๆมันผุดขึ้นมามันเห็นพอเห็นเห็นปั๊บมันมันเหมือนกับว่าตาเราเห็นหรือหรือหูได้ยินก็แล้วแต่ พอพอเห็นแล้วจิตเราจะเอาไปปรุงแต่งใช่ไหมคะอ่าพอไปปรุงแต่งเสร็จกิริยาของจิตก็ปรากฏใช่ไหมคะนั่นแนหะแล้วมันปรากฏเองโดยที่เรามันเป็นเน้อจังมันไม่สามารถทนเหนื่อยสภาพเดิมได้มันจะเสื่อมกิริยาของจิตอันนั้นก็จะเสื่อมพอเกิดขึ้นมาปับ๊บมันจะเสื่อมมันเปลี่ยนในขณะที่มันจะเสื่อมนั่นแนหะ เกิดกว่าที่มันจะดับนะมันมันจะแปลแปลงบวนแล้วก็จะค่อยๆเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมแล้วก็ดับลงไปปัญาจิตอันใหม่ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วเราไม่สามารถยึดอะไรได้เลยมันเป็นของมันเองมันเสื่อมเองมันดับเองเสื่อมเองดับเองเสือดับเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นจากที่ไม่ว่าจะเป็นตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นอะไรก็แล้วนะแต่ในะอายตานะของเราเนี่ยไม่ว่าจะขุดขึ้นมาในจิตใจก็ตาม มันเกิดขึ้นมาจากการสัมผัสแล้วมันก็กระยาติดมันก็จะเกิดขึ้นตามที่เราพบเราเห็นใช่ไหมคะแล้วเสร็วมันก็จะเสื่อมเองแล้วเราก็จะยึดมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเลยมันไม่มีตัวตนก็คือแบบนี้ไอ้คําว่าไม่มีตัวตนสมัยก่อนเราก็แค่ได้ท่องๆไม่มีตัวตนไม่มีอ่าไม่สามารถบรรคับบัญชาได้อะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ท่องแต่ณตอนนี้เราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ลืมเลยสิ่งนี้จะไม่ลืมเด็ดขาดว่ามันเป็นประโยชน์มากที่ที่เขาบอกว่า มันยึดไม่ได้มันก็คือมันยึดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราเห็นจริงๆของมันแล้วความจริงของมันแล้วมันก็คือยึดไม่ได้จริงๆมันเป็นของมันเองทั้งกายทั้งจิตมันเป็นของมันเองมันแปรปรวนมันดับมันเป็นของมันเองในที่สุดมันไม่มีสาระเลยที่เราจะไปยึดมันให้มันทุกข์หรือว่าไปสนใจกับปุญญาของจิตหรือว่าการปรุงแต่งของจิตให้มันทุกข์มันทุกขเกิดจากมันปรุงแต่งจากที่เราเห็นเราได้ยินต่างๆแล้วเรามาปรุงแต่งแล้วปุญญาของจิตเป็นอาการนี้เราก็คิดว่าเป็นตัวเรา แต่ความจริงแล้วเนี่ยพอเราพอเราเห็นว่าปุยยาที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยอีกตัวหนึงไปเห็นทับก็ทับปุยยาตรงนั้นซึ่งปุยยาตรงนั้นยังไม่จบเลยแต่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นอาการความกังวลใจความน้อยใจความทุกข์ความดีใจต่างๆเสร็จแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นอยู่ภายนอกตัวเราเหมือนเปนเป็นอยู่ภายนอกสภาพที่เรารู้นะคะพอสภาพรู้ตรงนี้เกิดขึ้นปั๊บนี้ มันเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเะ็โอ้นี่ที่ท่านบอกว่ายุดไม่ได้ยึดไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้แล้วก็มันมันน้อมถึงคําพูดของอาจารย์อาจารย์ให้เห็นเราตายหเห็นการดับของร่างกายการดับต่างๆแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ว่าเราพอพอเราเห็นตรงนี้ในสภาพที่ควาเป็นจริงแล้วเนี่ยเราฟังธรรมะอะไรจะเข้าใจทั้งหมดเลยค่ะ อันนี้อันที่หนึ่งที่ว่าอันที่หนึ่งปรากฏขึ้นก็คือเข้าใจคําสอนของหลวงตาที่พูดในวันนั้นว่าให้ไปดูการดักการเสื่อมต่างๆนะคะมันเกิดขึ้นแล้วมันเสืมแล้วมันก็ดับพอเห็นตรงนี้แล้วรู้เลยว่ามันยึดไม่ได้ไม่ว่ามันจะป่วยว่ามันจะแปรปรวนมันจะเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเรามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะเกิดที่มันจะเป็น แต่เราก็รักษามันตามสภาพที่ควรจะเป็นไปไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะและในีความที่มันไม่ยึดมันเกิดขึ้นจากจิตใจจริงๆว่ามันยึดไม่ได้มันไม่มีความสามารถมันไม่อยู่ในสภาพที่เราจะยึดได้ไม่มีความสามารถที่จะไปไปสั่งเขาได้น ะ, ะอันนี้มันเป็นจริงๆอันที่สองก็คือว่าอืม ที่การปฏิบัติคนนั้นอที่หลวงตาบอกว่าสภาพที่ไม่รู้หนูจะพูดถูกหรือเปล่านะหลวงสภาพที่แบบว่ากริยาของจิตที่มันเป็นเป็นนุ่นเป็นนี่ไปตามอาการที่มันปรุงแต่งแล้วมันได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆแล้วจิตมันก็มีอาการมีกริยาต่างๆตามที่มันเผลอ มีการตรงแต่งไปก็จะไม่มีไม่มีตัวยึดก็คืออย่างนี้ก็คือว่ามันไม่มีสาระที่จะไปยึดมันไม่มีสาระที่จะไปใส่ใจกับมันเพอเดี๋ยวมันก็จะมันไม่คงที่มันอยู่นอกเ ห, น, หนืออำนาจที่เราจะสั่งการมันได้ใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งคันที่สามในวันเดียวกันเนี้ยคือบางบางทีเนี้ยอย่างอย่างกรณีของ อ่าคุณคุณน้าที่บอกว่าบางทีเราไม่พอใจคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยคซึ่งเราก็จะเราทุกคนก็จะต้องเจอบางทีว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงเแ็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้กับเขาทำไมเขาโต้อตอบเราแบบนี้มีฟ e e d b a แบบนี้อะไรแบบไหนต่างๆเนี้ยเราก็จะไม่พอใจว่ามันเหมือนกับว่าเขาอ่าอะไรเหมือนกับไม่ถูกใจเราเยอะไรเนี้นะก็วันนั้นมันก็มาได้ยินคา คำสอนอันหนึ่งว่าคำสอนในวันนั้นน่ะไม่รู้ว่าเปิดธรรมะข้อไหนมันมันผูดขึ้นมาเลยคือไหมกับว่าอ๋อสิ่งนี้เราก็อยากจะรู้มันก็รู้ในวันนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาสอนว่าในสังสารวัตรของเราเนี่ยชั่วแค่ไหนเราก็เคยชั่วมาแล้วดีแค่ไหนเราก็เคยดีมาแล้วนะคะเราเคยชั่วถึงที่สุดเราเคยตกนรกมาแล้วเราเคยเป็นเ ป, นเปรตอสูรกายสันโดสัตว์เดชฌานทุกอย่างมาหมดแล้วนะฮะ ขึ้นสวรรค์เป็นอะไรจะอะไรแล้วก็เป็นมามากมายแนละ้ในสังสารระรยะอันยาวไกลของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาตินี้เราเป็นคนดีซะหน่อยนึงเรามาเจอคนที่ไม่ดีที่เราเคยไม่ดีมาอย่างเขาหรืยิ่งกว่าเขาอีกอก็เคยเป็นมาแล้วฉะนั้นต้องให้อภัยเขาเราก็เคยเป็นมาแล้วแบบนี้พออย่งนีปั๊บปึ้งให้อภัยได้ทุกคนเลยค่ะเพราะเราเคยเป็นมาทุกอย่างสําหรับทุกๆคนแล้วอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีมากนะะตรงนี้นะ แล้วก็ที่หลวงตาพูดอีกอันเมื่อกี้ที่บอกว่าให้คิดตรงข้ามอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประโยชน์มากเหมือนกันที่ทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้โลกกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจอย่างเข้าใจสถานการณ์ต่างๆชีวิตของคนอื่นหรือว่าคนอื่นที่พูดอะไรแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถให้อภัยเขาได้ทุกเรื่องทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทุกคนมีที่มาที่ไปเพราะแต่ละคนทำอย่างพระเจ้าบอกว่า กรรมเป็นตัวจัดสันให้สัตว์โลกมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันไม่มีใครมีอุปนิสัยที่เหมือนกันได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นนะฮะอันนี้แสดงว่ากรรมเขาจัดสรรให้เขาเป็นอย่างนั้นเขารู้ได้แค่นั้นเขาทาได้แค่นั้นในชาติปัจจุบันนี้แต่ว่าต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราให้อภัยเขาได้น ะ, ะอันนี้คืออยากอยาก จ, จะบอกในความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอมาอาจจะเป็น บุญที่ได้ร่วมสร้างกับครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะคะบุญตรงนี้อาจจะมีพลังมหาศาลก็ได้ทําให้ของเก่าๆเราผุดขึ้นมาที่เราปฏิบัติมาเยอะแๆมากมายก็ไม่เคยได้ทะลุอะไรแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์บอกว่าเมื่อเราไม่เห็นไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นอะไรเป็นสาระแล้วก็จึงไม่มีอะไรขึ้นมายุทก็เลยในะตอนนั้นก็เหมือนกับว่ า, วาพอฟังอะ พอฟังท่านนะฮะก็เหมือนกับสิ่งที่กิริยาจิตที่มันตงแต่งมันอยู่ภายนอกรอบตัวเราแล้วมีแสงสว่างรอบตัวเราโลง่ลงๆว่างๆโล่งๆว่า ง, า ง, ง, ง, า ง, างที่ไม่ต้องไปยึดอะไรกับอะไรที่มันแบบที่มันได้ยินได้เห็นได้อะไรก็ไม่ต้องไปยึดอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่คงที่ทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่คงที่ไม่ว่าจะเป็นในตัวเราขันห้าของเราร่างกายหรืจิตใจขอ ง, งเราก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้สิ่งภายนอกรอบตัวเราก็ไม่คงที่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านช่องอต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่ไปอยู่มาก็เสื่อมแล้วในสุดก็ต้องแตกสลายดับไปอาจจะไม่ดับอาจจะไม่พังในชาติที่เราเห็นปัจจุบันนี้อาจจะเป็นชาติอาจจะเป็นรุ่นลูกหรือรุ่นหลานรุ่นเด็รุ่นหลนรุ่นอะไรกในสุดมันต้องดับโดยสับเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดได้ได้จริงนอกเหนือการมันเป็นอนัตตาจริงๆสรรพสิ่งในโลกนี้แล้วก็เลยรู้สึกสว่างว่า โอ้เราเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีความสุขใจมากค่ะหลวงตาสาธุค่ะทำายได้่ยงเข้าปรากฏได้รู้แจ้งนะฮะ่รู้ทำนันแหให้รู้ทนเดเดียวกับรู้ทันเดิไม่ว่าจะเป็ น, น, ใ น, ใ น, น, น, นลูกเสีดกหรือสุเป็คนละนีนความรู้ทาางรเดียวาับรู้ทำนัออ่อ เป็นห้อทุกคนตึงเลยนมนมัขันขันขันขัันนขนขันนขนขันขันขัันนขัันขันขันขขั อาจจะก็ติดความคุ้มแข่งติดความยึดถือยิดมาสนถือมันในความคุ้มแขงจากภายนอกจนถึงติดผู้ยึดบั่นถือมั่นเลยคือติดผู้ยึดมั่นถือมั่นในกริยาการของจิตกริยาการคือมันมีแต่กิริยาการต้ติดเองมันเลยไปจนได้ผู้ยิดมั่นถือมันกิริยาการก็ติดจุดติดใจเป็นความร่างเปล่าแต่ลพวัน สผ้ยันถัาการศึกพเราเผูยึดมั่ิถืัางนี้ไปเนากที่ใใ ค, รครจะทไเอ้อสองสารจ้าพแล้วเราพูดเราพูดอยู่เรื่อยๆแล้วก็พูดเรื่อยๆไปเรื่อยๆกัทุกคนเจ็บได้ดคนอยักหน้าคนไม่ยินเลยมันสงสารอะไรบอกท้องฝ่ยเราอยากจะสร้างเจดีย์บรรจุปฏิชานของ คาราวาเราพูดกันอยู่เรื่อยกัลูกศิษย์เราทั้งหมดเจ้าใจบริวญญาณก็มีเปนหลายระเบียการสร้างอธิษาองเราจุดประจุอธิษฐานตอนนี้เราจะบอกกับฟ้าตู่ว่าเราจะไปเระชาเ้านี้เพาะว่าตเซอร์ตงไปต้งให้สถานวันนี้กันคอเตรียมสถานที่เสนอสาธิยีก็คืออธิษฐานก่อนคาราวาเดิเยนเพื่อต้องดว่าจะวางตรงไหนวาใหอเดียมสีเดียวเลย เราเพื่กตัวก็บอกเราว่าไรงตัวไม่เน่ที่ลุมข้าเไม่แน่ถ้าเราไปพูดเล่นๆกัพวกลุมข้าวเนี่ ย, น เ, นยเราเไปพูดสลักทีเองแล้วก็ไม่น่เราจะไ ด, ด, ด้ร้างอดีที่นั่นก็อนุโมทนาบุญทุก ท, ที่ที่เราสลากัสกตัวสร้างชืดีไปไปมาได้กลับมาทุกคน ในติเดีีอธิษฐานร ง, งนก็ ค, ค่อยไปช่ย่อยไปไต้อเรี้ <c oughs> อหลออย่าเ่่ไผมพูึงานาคุณมนุกุลาร์สัมปัสั ก, สกหลายหลายคนียไปช่วยกันเองที่อ่าคุณบาลมีเอาบาลมา ม, าลมีอบริวาลใ น, กนเก่าของเองกับบริวารเก่าบริวารใหม่มาช่วยรวมกันสางใครมีฤทิีิ์ันไหนก็ช่วยรวมก้ า, เ, ก า, า, าเดียาดูอาก็พระเจ้าขอะรมเสพระเจ้าอธิษฐานพระรหันอธิษฐาน ว่าตัวบุติกาโยบูโยกยาตายายที่กันบัติในดีนจนบรรลุทางจะสราคนหลนงนนังผลทานกับมุตตะามพูดไปพูดมาเป็นจริงได้ฮนะสารวัตรก็ทำได้ ตอนน้นตอนน้นไม่มอะไรแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจแกคนอื่นว่าทารวาก็ทาได้ดีมากคนอื่นก็ฟังไปเขาใช้สรุปขวาเนี่ยเราเห็นวันเราไม่ไดป็ให้เขาคนทำได้จริงๆย่าจริงเรามเันป็นมันเห็นปุ๊ปปุ๊ปในใจมันเยอะกว่าความคิ่เอมันมันเกิดขึ้นในใจเองเขาทมันเองเลมันเกิดขึ้นในใจปุูปุ ว่าเราติดจักอะไรทำท่านก็าขวดเลยเอาทำเอามาขวดให้ให้ให้เราเข้าใจเลยอย่างนี้งี้นี้นี้นก็เปจึงกดปรากดให้ให้บอกตัวกับเจ้าตัวในขณะดาจปฏบัตินะําก็จะประกวขึ้นเหตุอย่างเราเห็นว่าจิตเกิดเหตนเราทาลายการมีบทสิ้นแล้วเอ๊จะไปยังไงต่อท่านก็มาขวดแล้มีมีมีทับมีทำมาวออย่างเงี้ยอยู่เราเข้าไปในบ้าน เราเป็นคาราวาดหรือเข้าไปในบ้านบ้านพักอยู่คนเดียวมีแค่นิงสือมากลางว้ห น, หนาวกลางบ้านเลยแล้วก็เปิดหน้าอยู่ตรงที่เราต้องฝ่ายยืมคะดีว่าให้เห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอย่ิลับไปทุกความรู้สึกทุกจิตอารมณ์ในปัจจุบันพอตอนแรกเราไปไม่ถูกเพราะพิณากายมันมันหมดพิณหล้วก็ไม่รู้ใครเปิดกลางไปในบ้าน ก็เลยเป <royable> <What S 1> ็นคำที่มาปรากฏไม่เห็นรับแล้วก็บอกว่าให้เจิตแสดงอาการไปก่อนอื่นไม่คิดอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตายอยู่ดับไปก็เอออยู่ไม่เห็นจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแต่งเขึ้นองไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งใจจะไปดูรู้เห็นอะไรไม่ได้ตั้งใจจะไปรู้ละปล่อยวางอะไรมันมันนเป็จิตมันเกิดขึ้นมาเองเลยพอมันมาปากฏอย่างนั้นต้อจิตก็ปรากฏขึ้นเองเลย คืปรากฏการเกิดขึ้นตั้งอยู่รลดับไป เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่รลดับไปเห็นที่ยังงั้นนะ่เสร็จแล้วก็ไฟต่อไม่ถูกอยู่ๆก็ทีวันหนึ่งเดินเข้ามาในบานเอา้าใครการงก็ถือเลยสงครามบ้านก็บอกว่าไอ้ที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปนะนั้นจะเป็นความหยาบอยู่ให้เห็นว่าเริยาการทั้งสิ้น ท, ทั้งหมดที่ ด้วยความรู้สึกนึกคิอารอ่ะที่เกิดขึ้นนั้นมันแฝงดับไปดับไปดับไปดับไปเป็นธรรมชาติมันก็ขึ้นมาเองเลยสิ่งใดก็ที่เกิดขึ้นมันดับไปดับไปดับไปเองเลยเดยไม่ใอ่ว่าแล้วต้องไปสร้างดูไล่ไล่ดูเสื่อบมันทำประสบขึ้นมาพร้อมกับสี่ที่มันรู้สึกใจใจยังเปลี่ยนก็กริยาการสิ่ที่เกิดขึ้นมันแต่งยี่ห้อดิบดับไปดับไปไม่พึงเห็นหน้าไม่พึงไปสนใจหน้าที่เกิดและตั้งอยู่ ผั้สนใจเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยาการังหมทุกความรู้สึกเราที่แตกับไปดับไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นเองมปนู้ก็น่าสลดด้วยกเพื่อเดินทางแบบนี้เหมือนกันที่ากายพราว่าหา้ผ่ายขาาดแล้วมันก็จิตมันก็ง่ายมากเลยมันเกิดขึ้นเองมันดับไปเองเหนเห็นเกิดดับเองหรือไม่สนใจดตัวอะไรเกิดขึ้นไม่ต้ีงเป็นเดินทางทางเราที่เคยเราเคยเดิน เราเคยเดินทางนี้มาบุกเข้ามาเศรษฐกิจผาดจะเงินมาหายใจแล้วก็ทีนะเป็นจิตเกิดดับขึ้นเองในธรรมธรรมชาติเกิดขึ้นเองับเองไม่มีผู้ใครไปรู้ไปดูเกิดจากไม่มีผู้ไปดูรู้ร่าปลายวันกิดเองกับเองที่มันมันทางประกัพวกมันเกิดเองดับเองดูไปเลยเดิธรรมชาติแอ๋อเนี่ยทำไมไม่มันันเรอาจจะได้สอบเรื่องมันที่จะบอกน้องๆว่า น้งตาความพิดติพี่จะบอกน้องๆว่าน้องๆมากันอย่างนี้ยถูกทางแล้วถ้าไม่มีบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเก่าก็จะไม่มีโอกาสได้มาฟังหลวงตาแบบนี้เพียงแต่ที่ได้สัมผัสหลวงตาไม่กี่ครั้งเราพี่ตัดสินใจที่จะทํากุศลร่วมกับเพระยะระดับไหนที่ไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ยังต่ําอยู่ไม่สามารถมองผู้ที่สูงกว่าได้ ไม่ไม่สามารถไปคาดคะเนผู้ที่สูงกว่าถ้าที่พูดผิดนะคะพี่ยังเห็นอย่างนี้นะคะพี่ยังเห็นอย่างนี้ซึ่งพี่ไม่คาดคิดก็พี่จะเห็นพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเห็นพี่นอนหลับแล้วพี่ตื่นมาโดยที่ทุกอย่างยังอยู่ในผวางอยู่ที่เห็นปุ๊บปุุ๊ขึ้นมาอย่างตาพูดมีปัญญาวันนั้นแจ้งมากนะแล้วพี่ก็พิจารณาตรงนั้นพี่ไม่อยากจะลุกแต่ที่นอนเลย ที่จะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วที่ก็ไม่สงสัยเลยว่าที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดบอกว่าพระพเจ้าท่านนั่งนั่งอยู่เฉยท่านเห็นนูน้นเห็นนี่เห็นนูน้นเห็นนี่ท่านา ส, สัจสุขสัพันยูเนี่ยเพียงแต่เราเป็นเศษดินอยู่ในปลายเล็บของท่านคือเป็นเศษดินที่คือหมายความว่าความรู้ของเราน้อยนิดเทียบกับสับพันยูของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรายังเห็นที่เห็นอย่างนี้ที่เรามีความปิติยินดีดีใจขนาดนี้นะคะ พระเจ้าที่เราเคยสงสัยว่าท่านนั่งเฉยเท่านเห็นได้ยังไงมันพุดขึ้นมาเองแบบนี้อย่างอย่างหลวงตาพูดนะฮะพี่อยากจะบอกน้องๆว่าพยายามเถอะมีโอกาสแล้วเสียสละตัวเองเสียสละอะไรก็ได้ที่มันจะเสียสละได้นะฮะร่วมกับหลวงตาหรือผู้ที่หลวงตารับรองพี่คิดว่าสิ่งที่น้องๆปรารถนา จะสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างน้อยเราก็ไม่ลงอบายอย่างแน่นอนอย่างน้อยถ้าสมมติว่บบเราต้องได้สัมผัสได้อันที่หนึ่งคือรักศักระยะทิฐิถ้เร็นแบบนี้สักระยทิฐิแล้วคงละได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันยึดไม่ได้นะคมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงยึดไม่ได้จริงถึงแม้ว่าหน้าเนี้ยเราจะเอาอะไรมาทาก็ตาม ที่สุดมันก็ยึดไม่ได้จริงมันก็ต้องเหี่ยวต้องย่นไปตามมันต้องดับไปนะฮะไม่มีอะไรยึดได้จริงเราเป็นโรคเป็นภยัยเราจะเอายามาทานมาอะไร so ต่างๆมันก็ยึดไม่ได้จริงที่สุดมันก็ต้องเสือ่อมมันก็ต้องดับไปไม่มีอะไรยึดได้จริงนะฮะปัญญาตรงนี้สักยะทิถิย่อมจะไม่มีความที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเมื่อไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจริตใจไม่ใช่ตัวเราแล้วสภาพิ่งล้วนอยู่ข้างนอกตัวเราย่อมไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่มี ไม่รู้ตัวเราอยู่ตรงไหนเพราะทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนหมดเลยทั้งโลกนะคะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเข้าอี้ตัวนี้แต่ก่อนมันมาใหม่ๆหม่ันก็ใหม่อยู่ไปอยู่ ม, มันเสื่อมมันบังคับให้ตัวเองใหม่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเสื่อมหมดเกิดขึ้นเสื่อมหมดนะคะแล้วก็ดับไปอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ของเราอาจจะเป็นชาติที่สองที่สามที่สีที่หในที่สุดมันต้องดับมันต้องแตกสลายไปนะฮะ อันนี้สักยะที่ฐิวิจิตรช้าความตรงไปสงสัยในผู้เจ้าที่สอนก็ไม่มีแล้วนะฮะก็ไม่มีแล้วเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งอย่างเกิเสริมดับตรงเนี้ที่ขอปัญญาตรงนี้อันเดียวที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วยังอื่นมันตามมาเองนะฮะเสแล้วเขาจะประมาณน้องไปศึกษาเอานะคในที่สุดน้องก็จะเห็นว่าตัวเองไม่ต้องยึดไม่ต้องไปพึ่งอะไรแล้วพึ่งตัวเองพึ่งพระธรรมคาสอนผู้เจ้าพึ่งครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรพึ่งตัวเอง นะแต่พี่ก็แต่ก่อนพี่ก็กราบไหว้เทวดานะทุวันนี้ที่ก็ที่ก็พี่ก็ยังมีความเคารพว่าเขาก็เกิดด้วยอำ น, นาจของบุญกุศลที่ถึงเป็นเทวดาแต่เราไม่ยึดว่าเขาจะดลบันดาลให้เราไปมาผลพิพานได้เราสั่งสมบุญได้เหมือนกับเราไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้คนดีแม่ว่าจะภ้าญะติ บ, บุคคลที่ยังไม่สําเร็จเป็นพระหันท่านก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาถูกไหมฮะถ้าไม่เกิดเป็นเทวดาเราไหว้เทวดาก็ไม่ได้ผิดตรงไหน แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเข้าท่านจะไม่ได้ดลบันดาลให้เราไปเมื่อผลพี่คาดได้ให้เราหมดกิเลสได้มันต้องพึ่งตัวเองนี่คือคำว่าอัตตาเหตอัตโนธุที่พี่นึกถึงคําต่ละคำแต่ละคำที่ผ่านมาที่นึกว่าทํามาหากินช่วยเหลือตัวเองอัตตาหิอัตโนนธถแต่ความจรงิงมันไม่ใช่แค่นั้นมันลึกกว่านั้นนะแต่น้องเจอแค่อันเนี้ย เราสักยาทิฏฐิได้ที่เชื่อว่าน้องจะต้องเจอหลายๆอย่างที่เหมือนที่แล้วดีกว่าพี่ด้วยบางคนบุญกุศลมันบางทีมันยังไม่ถึงเวลาของเราใช่ไหมคะเหมือนที่ผ่านมาพี่ก็คงจะอะไรละ่ะที่ยังมถึงเวลาของพี่เวลาของพี่ดันมาให้พี่ได้พบหลวงตานะฮะคือกุศลต่างๆที่ประกอบด้วยปัญญาหรืออาจจะเคยเป็นลูกศิษย์หลวงตามาแต่พบชาติก่อนก็เป็นได้น ะ, ะเพราะว่าเจอครูบาอาจารย์มามากมายหลายท่านก็ไม่ทําให้ที่ทะลุแบบนี้ไม่เกิดแบบนี้ ที่ก็มาเจอหลวงตาตงเพิ่งจะพบหลวงตาแค่ไม่กี่ครั้งนะะที่ก็เจอแบบเนี้ยแล้วที่ก็นึกถึงคําพูดของหลวงตาตอนนั้นนึกถึงคําพูดของหลวงตานี่ที่เหมือนกับใช่แล้วทุกอย่างใช่เป๊ะหมดเลยหายสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยทุกอย่างที่หลวงตาพูดนั่งฟังหลวงตาเข้าใจหมดทุกอิสระทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่สอนธรรมะหลวงตาก่อนนอนอะไรเงี้ยที่ฟังแล้วที่เข้าใจเขาแต่ก่อนมมันเหมือน มันยังงงๆอะไรอยู่ยังตันๆยังอะไรอยู่แต่พอหลังจากที่ที่เจอสภาวะแบบ น, นี้เข้าใจหมดเลยนะฮะอันเนี้ยขอให้แบบว่าเอ่อให้น้องเก็บเอาไปคิดพิจารณาว่าเรามีโอกาสทองโอกาสเพชรโอกาสมหาเพชรขนาดนี้แล้วนะเราจะเอาเอาตัวของเราเอาใจของเราไปวางไวต้ตรงไหนอยู่กับใครยังไงนะฮะ ในโพาชานนี้ก็แค่ทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเพื่อป่าเพื่อท้องและในี่สุดเราก็ต้องตายแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าเราชีวิตมนุษย์เ น, นี้ยสั้นนักนะฮะสั้นนักเวลาที่เราจะคือที่คิดได้ตั้งแต่ที่อันนี้ที่ขอไล่เปลี่ยนความคิดเห็นเนาะอคือตอนที่เรียนมหาลัยอะ่ะมีอยู่วันหนึ่งตอนเป็นเด็เดกอะพี่ก็จะเป็นคนกลัวตกลัวตุด่ดนากนะฮะ ก็จะมีความศรัทธาที่สาวที่พี่สาวเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็จะคอยถามพี่ก็พี่หนูจะตกงนรกไหมอะไรแบบนมีความมั่นใจว่าถ้าเขาพูดนะมันใช่นะฮะทั้งที่เขายังฆ่าสัตว์อยู่เลยเราไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นเด็กๆพอมเมอรียนมหาลัยมีวันหนึ่งที่ ท, ที่เดี๋ยวที่เรียนเกษตรบางเขิดนะคณะวิทยาศาสตร์มีวันหนึ่งพี่ก็คอยขึ้นรถเมย์นี่แหละเปลี่ยนความที่เห็นนะฮะหลวงตา ม, มีอะไรจะสอนญาติโยมอย่างเงี้ยฮะ หนูจะเอาประสบการณ์หนูมาพูดให้น้องๆฟังบางทีว่ามันจะเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์ที่พูดนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าตัวนี้ก็่าแล้วพี่เก่ามันต้องตอบย้ำนะต้องตอบย้เหนูเรื่อยๆอย่างูตาตอย้่เรื่อยๆมันก็ทาให้นะฮะมันเป็นประโยชน์ทุกทุกถ้อยคาอันนี้ถึงประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนกับว่า เราก็ทํามากินมาเป็นคนทำมาหากินนะคะคือตอนที่เรียนมหาลัยมีวันหนึ่งที่ก็ไปเบียดขึ้นรถเมล์กับเขานี่แหละสมัยโบราณสมัยก่อนนะตอนนี้ที่อายุหกหกสิบเอ็ดละย่างหกสิบเอ็ดละยังไม่ยังไม่เต็มก็คือผมกาจะเบียดเข้าได้พอเบียดเข้าได้แล้วก็ต้องโดนไล่างเบียดเข้าไปคนกระเป๋ารถเมล์ก็บอกเข้าไปย้างไนลึกๆเข้าไปข้างในลึกๆดันเข้าไปข้างในเหงื่อไหลคายย้อยเหนื่อยมากใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนานมากกว่าจะมีโอกาสนั่งได้ เหนื่อยมากเลยกว่าจะเบียดแน่นมีโอกาสนั่งได้เพรนั่งปั๊บมันก็ผุดขึ้นมาในความรู้สึกเอ๊ะมนุษย์นี่มาจากไหนเนี่ยมนุษย์มาจากไหนเรามาแล้วก็มาทำมาหากินแย่งกันแย่งกันขื้นรถเมยแย่งกันทำมาหากินแย่งกันทำมาหากินหาเงินหาเงิ น, งนแล้วก็ตายเราก็เป็นมนุษย์กับเขาด้วยเราก็เป็นคนเหมือนกับเขาเอ๊ะเรามาจากไหนเนี่ยสงสัยนะน ะ, ะเรามาจากไหนเนี่ย แล้วก็ตายเรียนตาก็ตา ย, เ ร, ย, ตายเรียนก็ยากวิชาเออจีสวยจียากมากยิ่งออกเป็นอีกเช็มนิ่งยากมากฟิสิกส์ไอ้ฟิสิกส์ยากมากม่กกอายากเรียนแล้วสับสนมากสับสนมากเรียนจบไปก็เห็นได้ใช้เลยไอ้ฟิสิกส์ไม่ได้ใช้ไม่อะไรเลยหาเรื่องแล้วจะไปหาเรื่องอะค่ะเราจริงๆอ่ะคือว่าจะไปคัดค้านเราอยากไปคัดค้านแหละ อ่าสถาบมาหาลัยเอาอะไรามาสอนอะไรต่างๆคิดไปทั่วเลยนะสับสนมากเลยแล้วก็ตายอะไรเงี้ยโอ้ยต้องไปหาความรู้ให้ได้ว่าตายแล้วไปไหนหายแล้วไปไหนกันไม่มีอารมณ์เรียนแล้วฮะคิดอยู่หลายวันคิดอยู่หลายวันเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนะฮะกลับบ้านเลยไปถึงบ้านแม่ก็บอกว่าโรงเรียนหยุดแล้วลูกคนคนบ้านนอกก็เรียกโรงเรียนนะโรงเรียนหยุดแล้วลูก ตอบแม่ไม่ได้จะพูดยังไงสับสนไม่อยากเรียนแล้วเดี๋ยวก็ตายเรียนไปก็ตายอะไรเงี้ยอ่ตอนนั้นอายุเพิ่งจะสิบกว่าสิบเท่าไหรเรียนจบมสองห้าเร็วเพราะว่าพี่พีพาชันเรียนเรียนเหมือนอนุบาลเรียนโรงเรียนรับจ้างแล้วไปโดดโดดปสามเลยมาถึงปสองไม่เรียนร้องไห้ล้องไห้ขึ้นปสามครูเขาก็ให้เพราะว่าเขาบอกเรียนเก่งอะไรเงี้ยลองดูอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยตกรุ่นเพื่อนเพื่อนเขาก็มีใจแก่กว่าเราทั้งนั้นเลย เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วกลับไปบ้านประมาณสักหลายวันต่อมาที่การันั่งร่างจา้างอยู่ก็พอดีประธานสโมสรข้าวยาศาสตร์กับนายกสโมสรมามาจากมหลาลัยเกษตรเลยนะคะขึ้นมาบนบ้านสะพายย่า ม, มา่ะที่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่หรอคิดว่าเป็นญาติแม่ก็เรียกแม่มาแม่แม่มีญาติแม่มาเยี่ยมญาติแม่มาหาแม่กับโผ่มา นี่ก็บอกเขามาหาน้องดวงใจอะมาหาเรา น, นี่เขาบอกน้องทําไมไม่ไปเรียนตั้งหลายวันแล้ว <c oughs> น้องจะไม่มีสิทธิสอบลูกแม่เลยอย่างเงี้ยว่จะตอบอยังไงตอบก็ตอบอไม่ถูกไม่รู้ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะแม่กล้าพูดให้แม่ฟังเพราะว่ากว่าจะสอบขมาอะไรได้เราเป็นคนบ้านนอกมีคนเดียวคนเดียวเลยตอนนั้นสอบขมาอะไรได้ในหมู่ บ, บ้านพี ท, ทีน้องๆก็หวังพึ่งพาอาศัยก็เรียนรู้สึกเข่งไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เสร็จแล้วก็ อก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูตามไปเขาบอกต้องไปกับพี่เดี๋ยวเนี้มันยังไม่เจอของที่เราต้องการรู้ไงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รับรองว่าหนูตามไปแน่ไม่กี่วันแน่หนูตามไปใช่ไหมฮะเขาก็เลยเขาก็เลยกลับเสร็จแล้วก็เลยมาสารภาพกับแม่ว่าเนี่ยอยากจะไปบวชอยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะไปรู้ไปเห็นว่าชัด ไปไปแล้วเขาไปไหนกันมั่งอยากจะไปเห็นอะไรเงี้ยแม่บอกว่าลูกเอาปริญญาไม่ให้แม่ดูก่อนจะไปไหนใครไปอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วไงมันไม่มีสติเรียนแล้วอ่ะมันไม่อยากเรียนไม่มีใจจะเรียนแล้วอยากไปบวทอย่างเดียวแม่ก็เลยยอมแพ้ก็เลยพากันไปวัดตะเวหาวัดบดไปวัดไหนเขาก็มีแม่ชีแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิอะไรก็หุงข้าวทําอาหารทานกันเองแม่ชี เขาบอกว่าถ้าจะนั่งสมาธิต้องไปวัดมงคลประสิทธิ์นู่นอยู่ในทุ่นา น, นู่นอ่ะอยู่ที่ถนนใหญ่ที่ลบบุรีนะคะแต่ดันโดนไปกับแม่สองคนอายุประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดปีสิบหกปีประมาณสิบหกปีก็ไปไปก็เจอหลวงพ่อในที่สุดก็พี่ก็ได้นั่งสมาธิได้อะไรอย่างที่แต่ตอนนั้นท่านสอนพองยุคแล้วก็ไม่ใช่ท่านสอน น, นี่นั่นท่านสอนหนอทุกอย่างหนอหมดนะฮะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไร คิดว่าเอ่อร่างสมาธิแล้วก็ทําความดีไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ปรากฏเองอะไรแบบนี้นะหลวงพ่อ hmm. สอนนั่นคือเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่เราจะได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นมานี่ตอนนี้พอต่อมาต่อมาคือคืออันนั้นเป็นเบื้องต้นที่ว่าจะได้สนสนใจน ะ, ะพอหลังจากนั้นมาพี่ตั้งแต่มีน้องมีน้องคนเล็กลูกคนเล็กคนนี้กํลาลังคันคานอยู่ก็มีวันหนึ่งฉันมีโอกาสจะไปถวายสังฆทาน สังฆทานกับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่นั่นมีพระอยู่ประมาณสามสี่ลูกก็พาลูกไปรือเป็นโตไปเป็นโตสังฆทานสดไปเสร็จแล้วก็พอถวายท่านถวายเพนแล้วก็บอกท่านฉันแล้วก็บอกว่าท่านฮะขอฟังธรรมค่ะท่านก็บอกว่าอ่ะจะฟังยังไงจะฟังเรื่องอะไรดีละ่ะอะไรเงี้ยอะไรก็ได้คะ่ะท่านแบบโยมเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรสักอยานน่างเลย เริ่มสอนแบบที่โยมไม่รู้อะไรเลยนะคะ <S <S แล้วท่านก็เลยบอกว่าอ่ะเอางี้เะกันคือไม่รู้ว่าภูมิธรรมเราแค่ไหนไงเสร็จแล้วจะเริ่มต้นสอนอะไรก็ไม่รู้ไงมันเยอะแยะเลยเกินคําสอนพระเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอางี้อาตมาจะให้พนโยมข้อหนึ่งข้อเดียวนะโยมอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตของโยมแล้วก็มันนึกบ้านหลังโตโตมันก็ไม่ที่สุดลดอะไรอะไรต่างๆไม่มี อ, อะไรที่เอาที่สุด ไม่มีอะไรที่สุดเลยชี่ไปคิดมาเลยบอกโยมอยากจะเป็นคนดีเป็นคนดีที่ไม่มีใครมาชื่นชมไม่ต้องมาชมเป็นคนดีที่ตัดสินโดยธรรมชาติก็เป็นความดีที่ถูกต้องตรงแท่งตัดสินโดยธรรมชาติไม่มีใครคัดค้านได้เอา้าทาไมโยมคิดอย่างนั้นเพราะว่าความดีที่โยมเป็นนี่แหละมันจะจัดสรรให้โยมได้สิ่งที่โยมปรารถนาทุกอย่างท่านบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าอืมถ้าองั้นอาจจะมารู้แล้วว่าอาจารย์ทรายจะสอนอะไร ท่านก็เลยพูดถึงเรื่องของกรรมกา ร, ร ม, มีกี่ชนิดกา ร, รมีกี่อย่างท่านก็เริ่มพูดว่าโยมโยมเห็นไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ช, ชาติไหนก็นแล้วแต่รวมมาทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยหน้าตาผิวพรรณต่างๆไม่มีใครเหมือนกันเต็จ ๆ, ๆทุกอย่างเลยนะมีคล้ายมีคล้ายกันแต่ก็ต้องมีบางอย่างสิ่งบางอย่างที่แ ต, ตกต่างกันสภาวะจิตไม่เหมือนกันบ้าง ไอ้ตรงนั้นสั้นอะไรต่างๆไม่เหมือนกันบ้างมันต้องมีอันแตกต่างกันเขาบอกว่าเออใช่ใช่จริงๆด้วยไม่จะคลา้แบบ า, คลายกันเฉยแบบฟ้าแฝบน่ะคล้ายกันเฉยแต่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะยกลูกไม่เป็นเพราะอะไรท่านก็เฉลยว่าเป็นเพราะแต่ละคนสร้างกรรมมาไม่เท่ากันอย่างเช่นว่าเพราะว่ากรรมมันจัดสรรจัดสรรให้มีรูปร่างลักษณะเป็นแบบที่เขาเรียกว่ากรรมมาชลูป จัดรูปร่างไม่เหมือนกันรูปร่างที่เกิจดจากการไม่เหมือนกันเสร็จแล้วสมมุติอาตมาจะให้โยมนั่งเรียนกันสิบคนเนี้ยแล้วตมาทุกคนถือตังคนละ100่อบาท โ, โยมรบกวนเวลาจะขึงตาหรือเปล่าเนี่ ย, อ, ย, อ, ยอันนี้เป็นพื้นฐานนะพ ว, พวกเรากเราก็ฟังพื้นฐานเนาะอือ คือบางบางทีเนี่ยพี่ปริยสําคัญก็สําคัญนะคือท่านก็บอกว่าจิตคนที่นั่งเรียนกันเนี่ยถือตังคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วพูดตามลัทายกพูดเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยถามว่าได้บุญเท่ากันไหมท่านก็ตอบว่าไม่เท่ากันเพราะว่าถึงแม้ว่ากายจะนั่งอยู่ในสภาพเหมือนกันทุกอย่างวาจาจะพูดกล่าวคําเหมือนกันหมดทุกคําแต่จิตแต่ละคนจะปรุงแต่งไม่ละเอียดเท่ากัน คนนี้อาจจะคิดไปถึงนู่นก่อนล้กะกลับมาคิดอันนี้คนนี้อาจจะคิดทั้งนี้ทั้งหมดแต่ปัญญาไม่เท่ากันไงแต่ละคนปัญญาไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันสภาวะจิตในขณะนั้นไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนกันไม่มีใครเลยแม้แต่แม้แต่เป็นฟ้าแฝดหรือเป็นสามีภรรยาที่เข้าใจกันที่สุดก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจัดสรรกรรมของเขาแต่ละคนจัดสรรมาให้มีอะไรไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะนั้นสภาวะจิตในขณะเดียวนั้นไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันนะฮะบุญก็จะได้ไม่เท่ากัน พบุญไม่เท่ากันเนี่ยกรรมมันก็จะจับสันออกมาไม่เท่ากันในสังสารวัตที่เราเกิดมามากมายทับถมกันมากมายทําทั้งดีและชั่วมาทุกชาติทุกชาติทุกชาติาาเนี่ยมันจะจับสรนกรรมต่างๆที่เราทํามาทั้งหมดในสังสารวัตของเราเองเนี่ยที่พุทธเจ้าอะหาต้นกําเนิดชีวิตทีชีวิตแรกไม่เจอนะฮะก็มันนานมากแล้วนะฮะมันจะจับสรนทั้งบุญและบาป ท, ทั้งหมดมันจะจับสรนให้เรามาเกิดมีรูปร่างแบบนี้ กับนายคนนี้นางคนนี้ตำบล น, นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้บ้านหลังนี้พอดีกับกรรมที่เราทำไว้ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะมาเจอพรุ่งนี้เราจะเจออะไรมันเลยจะเจออะไรวันไหนจะเจออะไรจะเจออะไรต่างๆเนี้ยกรรมมันจัดสรรทั้งหมดนะฮะเขาเรียกว่ากรรมมันจัดสรรทั้งหมดแล้วแต่เราถามที่สมัยสมัยพุทธกาลก็คือมัน มันจะมีผู้ที่ท่านมีอภิญญาหรือว่าท่านมีสภาวะที่ได้ชันได้ต่างๆท่านก็จะเหมือมนกับจะเป็นตำราหมอดูได้นะฮะแค่มันแม่นถ้าผู้ที่แม่นยำยจริงๆอ่ะก็จะมีออกมาเป็นเหมือนตำราหมอดูใกล้เคียงนะคะแต่เราสามเราจะไม่สยบต่อกรรมที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตเราจะทําความดีมาก ย, ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นที่เขาบอกว่า อ่าปีชงอะไรพวกเนี้ยนะคะเห็นไหมฮะพากันไปแห่ไปหาแก้ปีชงอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวเรื่องปีชงเลยทําความดีด้วยการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการเจริญสติฝึก ส, สมาธิจเจริญปัญญาต่างๆเนี่ยมันสามารถผลักปีชงของคุณนักระจุยกระจายไปได้หมดไม่มีคําว่าปีชงทุกอย่างมันจะเป็นไปเองนะคะตามกุศลทั้งกุศลเก่าและกุศลใหม่จัดสันอันเนี้ยคือในทีสุด พี่ก็ได้พระอาจารย์วันนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องกรรมอันนั้นอันนี้ต่างๆน้ําตาที่ก็ไหลพร่าแล้วท่านก็พูดถึงชีวิตหลังจากภายหลัำความตายไปในบ้างถ้าเราทําความดีด้วยการให้ทานการรักษาศีลก็เจรสติอะไรก็แล้วแต่บุญเกี้ยวตัวศิษฐ์ที่เราทำมาเนี่ยอยู่สม่ำเสมอสม่ำเสมอโอกาสที่มันจะจัดสรรให้มันเป็สุขติภูมิมันก็มีมากยิ่งถ้าเราได้ มากับแต่จิตคือจิตที่เป็นสภาวะที่เป็นปลอดภัยเป็นปัจจบันหรือได้ชั้นอะไรก็แล้วแต่ชีวิตผ่านความตายเราย่อมไปสุคติอย่างแน่นอนน่นจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่ปรารถนามันเป็นมันจะจสะสรไปเองจิตสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราปล่อยให้เราสร้างบาลด้วยทำกุศลด้วยสร้างบาลด้วยทํากุศลด้วยกุศลนั้นจะมีกําลังอ่อนมากเพราะว่ากุศลที่ประกอบด้วยบาเข้าไปเจอือเจอ เชื่ผลด้วยก้าทาบาปด้วยทาความดีด้วยกุศลแบบนี้จะอ่อนมีกาลังอ่อนมากแต่อย่างพวกเรานี่ยเขาคงไม่ทาบาปกันแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นมันจะเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำเอาไปสอนลูกสอนหลานเรได้ที่ว่าเวลาเราจะทําี่พที่พวกที่าสอนละชั่วด้วยประการทั้งปวงทากุศลให้ถึงพร้อมทาจิตให้ฟังแพลว หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั่นแนละเราจะเข้าใจเลยว่าหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองก็คืออย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นเกิดดับเกิดดับนี่แหละเราจะหมดกับเครื่องเศร้าหมองจริงๆเพราะว่ามันเราเห็นเราเห็นว่าเรายึดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยในที่สุดเราไม่เห็นมีสาระความไม่มีสาระของเขาเนี่ยที่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าจิตใจจะผุดทองขึ้นมาเองมันก็ผุดทองขึ้นจริงจากการที่เราไม่ได้ยึดตอนแรกไป ค, คิดว่ามันจะแห้งแล้งปฏิบัติใจที่ปรัสนามันแห้งแล้วมันเบื่อหน่ายมันอะไรก็มันจะอยากจะทําไหมเนี่ย ผลสุดท้ายท่านบอกว่าทองท่องแท้ท่องใสนี่คือคำท่องแท้ทองใสเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราไปทําเอาสภาวะความว่างที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาจิตไปตั้งอยู่ในความว่างแต่มันว่างไปเองจากที่เราไม่ยึดมันไม่ได้เโน้ตจิตยึดไปทําอะไรไม่มีประโยชน์มันยึดไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนขึ้นยาวมันเกิดแล้วมันดับเปลี่ยนแน่นอนเราโน้จิตยึดไปทําไมก็เลยปล่อยมันก็เลยว่างไปเองน่ก็เลยเข้าใจคําว่าว่างของของหลวงตา หนูว่าหลวงตาแค่ดีกว่าหนูก็คงเราพูดดีไปยังน้ำตาไปตกกันเลยเนะี่ยเราท <c oughs> านรั่วกันพอพ อ, พ อ, พอเลยย่อยย่อยยอยมีที่ดีดวยเราได้มากเหมืมมนอนคงมีหัวอกอันเดียวกันเราก็จะได้ไม่ยืดอะไรเพราะว่ามีคนรับรองและยื <c oughs> นยัน